อ, อิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุธทธวิชาจารณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทูเนี่ยแต่สําหรับพระสารีบุตรเนี่ยพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วอันนี้คือความต่างท่านหนึ่งในฐานะพระสาวกอีกท่านหนึ่งในฐานะพระสาวกพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์ได้แม้พระสารีบุตรก็แสดงฤทธิ์ได้ไม่ใช่พระสารีบุตรแสดงฤทธิ์ไม่ได้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 เหมือนกับอัมมาศผู้ใหญ่พระพุทธเจ้าก็เหมือนกับพระราชาเ mm hmm. นี่ะดั้นอยู่คนละฐานะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสสิ่งใดออกไปพระสารีบุตรเข้าใจายอย่างแจ่มแจง้งฉนั้นในบรรดาผู้ที่พักดีต่อพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรนี้ชื่อว่าเรียกว่าอันดับหนึ่งเหนเถิดอันดับหนึ่งเนี่ยถ้าทําทุกอย่างเพื่อพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรชื่อว่าบุคคลอันดับหนึ่งพระองค์แนะนําให้ทําอย่างไรท่านก็ทําอย่างนั้นเป็นไปตามพุทธประสงค์ทุกประการ นอย่างในทศพลยานสิบเนี่ยนะยามที่เป็นกําลังของพระพุทธเจ้าภาษารีบุตรก็มีหลายอย่างแต่ว่าไม่เทียมเท่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะภาษารีบุตรท่านก็เป็นผู้มีปัญญามากเพราะเนื่องจากว่าภาษารีบุตรมีความสามารถพิเศษในตัวของท่านเนี่ยมากมายพระพุทธเจ้านั้นแสดงพระพุทธคุณอย่างกว้างขวางแสดงกว้างขวางเท่าใดภาษาเรียบุตรก็รับได้ภาษารีบุตรก็เข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่าง ทะลุโปร่ปงและเอามาจำแนกแต่งตั้งเปิดเผยตามรายละเอียดตรงไหนที่น่าน่าขยายพระสารีบุตรก็สามารถเอามาขยายมันคำภีร์ใดพระสูตรใดที่พระสารีบุตรแสดงพระสูตรเหล่านั้นจึงลึกซึ้งยิ่งนักเนี่ยนะลึกซึ้งและก็วกว้างขวางพระสารีบุตรนั้นหยิบเอาพระสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงมาขยายนะเป็นอย่างจุลนิเทศมหานิเทศเนื้อหาเนี่กว้างขวางสุขุมลุ่มลึกยิ่งนัก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 ศรัทธากับผู้มีศรัทธาด้วยกันผู้ปรารบความเพียรก็สามารถที่จะสนทนาเกี่ยวกับเรื่องความเพียรด้วยกันผู้มีสติตั้งมั่นก็สนทนาในเรื่องสติได้ดีผู้ที่มีสมาธิตั้งมั่นมีจิตตั้งมั่นก็สามารถที่จะสนทนาเรื่องจิตตั้งมั่นจิตเป็นสมาธิผู้มีปัญญามากมีปัญญากว้างขวางมีปัญญาลึกมีปัญญาัยมีปัญญาเร็วมีปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดิน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 อันนี้ก็เดือดร้อนละคนหลงลืมกับคนมีสติคุยกันเนี่ยก็คุยกันไม่รู้เรื่องคนฟุ้งซ่านกับคนสงบก็คุยกันไม่รู้เรื่องคนโง่เขลากับคนมีปัญญาคุยแล้วไม่เข้าใจกันทั้นตรงกันข้ามไปหมดเลยนนแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งพร้อมจะน้อมไปหาอีกฝ่ายหนึ่งคนมีศรัทธาสนทนากับคนปรารบความเพียรก็พอได้อันนั้นเรียกว่าข้ามข้ามอินทรีย์กันเนี่ยพอได้แต่ถ้าอินทรีย์ฝ่ายตรงข้าม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 เป็นบุญเพราะชำระสันดานของตนให้สะอาดนำมาซึ่งผลที่น่าปรารถนาเป็นกุศลเพราะไม่มีโทษให้ผลเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไปแล้วก็เห็นได้ว่ากุศลศรัทธาที่ปฏิสถานตั้งมั่นในพระพุทธเจ้านั้นศรัทธาเหล่านี้ช่วยให้พ้นอบายทุกคติววนิบัตินรกได้ถ้ายิ่งศรัทธาเท่าใดศรัทธา น, นั้นก็เป็นอาจารศรัทธาอาจารศรัทธานี่แหละ เป็นศรัทธาที่มั่นคงเมื่อศรัทธาที่มั่นคงเช่นนี้ไปอีกกี่พบกี่ชาติก็จะไม่เปลี่ยนจากการนับถือพระศาสดาเนนะไปอยู่หน้าแห่งหนตําบลใดเกิดณที่ใดแม้กระทั่งไปอยู่กับกลุ่มนายพรานเป็นต้นก็ไม่เปลี่ยนจากความเป็นผู้มีศรัทธาเพราะว่าศรัทธานั้นได้สมาทานอธิษฐานประดิสฐานอย่างตั้งมั่นดีแล้วแต่ว่าศรัทธาที่ตั้งมั่นดีแล้วนั้นจะต้องมี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 ศรัทธาเนี่ยถ้ามองต้นไม้คือศรัทธาสัตว์ต้นไม้อันนี้ให้มีความมั่นคงที่สุดทาว่าทําอย่างไรก็ต้องทํารากให้แกศรัทธาให้มากเสริมรากให้แกศรัทธารากของศรัทธาก็คือปัญญาปัญญานั้นคืออะโมหะมูลเนี่ยนะสร้างรากคืออะโมหะมูลคือสัมมาทิฏฐิความรู้ความเข้าใจในพระพุทธคุณต่างๆให้เพียงพอพั้นต้นคือศรัทธาก็จะเจริญ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 แต่อย่างอื่นนะไม่ได้มีค่าอย่างแท้จริงผมของเราทั้งหลายอยู่ในกายเนี่ยนะจ้างเขาตัดนะต้องตั้งเขาตัดฟันที่มันอยู่ในปากก็จ้างเขาถอนนะ ป, ปัญหาทุกอย่างเนี่ยนะมันต้องจ้างออกหมดเสียเงินเสียทองยิ่งผ่าเอาตับเอาไตาเอาไสา้เอาปอดออกยิ่งราคาสูงมากโดยที่สุดเผาก็ยังต้องจ้างเผาเลยมันเพราะฉะนั้นทุกเรื่องในจ้างหมดอนะเข้าห้องนะคาับก็เสียค่ามันจะ่ายหมดแนตะ่บางเงินเนี่ยมันไม่ได้มีค่าอะไรจริงๆหรอก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 เจริญให้มากแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มาก